อากาศกรินหนึ่งในอุปสรรคของการเห็นรูปกายที่พระพุทธองค์ตรัสให้ระวังไหมทำให้เกิดผลเดียวกันก็คือรู้ความแข็งทะลุเลยขอบเขตที่กำหนดไว้แต่แรกแล้วเปลี่ยนไปทางซ้ายเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องเฉียงตามลำดับสลับไปทีละทิศจนชำนาญทุกทิศ และเหมือนสามารถแผ่ได้ทีละสองทิศสามทิศกระทั่งพร้อมกันได้ทั่วในที่สุดถ้าฝึกอย่างถูกวิธีต้องเหมือนมีความทึบตันออกไปแต่ละทิศ ต, ตามรัศมีที่กำหนดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตยังจับลักษณะแข็งอันเป็นตัวตั้งไว้อย่างมั่นคงไม่ใช่เหมือนกายกระจายออก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตไม่ได้จับลักษณะแข็งคงที่และจิตจะต้องมีความปลอดโปร่งซึ่งแสดงให้เห็นอาการรู้อย่างตั้งมั่นเป็นกลางไม่ใช่หนักอึ้องหรือกดดันกรรมเกรงด้วยวิธีดำเนินจิตผิดพลาดใดาๆผลที่เกิดขึ้นพันทีที่กำหนดรู้ปฏทวีทาศได้ทั่วทิศ เมื่อถอนจากการกำหนดแล้วคือความเห็นชัดเข้ามาภายในว่ากายนีิสก์ตะว่ามีส่วนประกอบแข็งแข็งจากหัวจรดเท้าบางคนอาจสัมผัสถึงความแข็งของโครงกระดูกอย่างชัดเจนน่าตกใจรากับปราศจากเลือดเนื้อห่อหุ้มและเมื่อมองไปทางใดหรือกระทั่งไม่ต้องมองก็อาจสัมผัสรู้ถึงความแข็งของวัตถุรอบด้าน เห็นเสมอ ก, กันกับกระดูกและเนื้อนหนังในร่างเราโดยไม่ยินยโนลักษณะสีกันรูปทรงหรือมาตรฐานทางตามาแบ่งแยกว่าคุณสมบัติแตกต่างกันโดยประการใดๆจะมีเพียงความรู้ภายในที่จิตบอกตัวเองว่าความเป็นธาตุดินล้วนเสมอกันคือศัตววัชแข็งและคงรูปอยู่ให้จิตอาศัยระลึก เท่านั้นตั้งกายตรงสำรวจจิตว่ามั่นคงมีความโปล่งเบาพอสมควรแล้วจึงปิดตาให้ความรับรู้อยู่ที่น้ำลายที่เรียกว่ามาอาบลิ้นชุ่มอยู่ เปดครั้งแรกอาจจะอมน้ําไว้เครื่องปากเพื่อช่วยขยายความรับรู้ให้ชัดเจนขึ้นกําหนดลักษณะเ อ, อิบอาบลื่นไหลยอย่างเดียวอย่านึกถึงลักษณะอื่นเช่นเหนียวหรือเป็นฟองประคองความรู้สึกเ อ, อิบอาบไว้จนจิตไม่เคลื่อนไปไหนและจึงกําหนดทิศเบื้องหน้าเอาเพียงระยะสั้นแค่มีตําแหน่งที่แน่นอนขอให้ความรู้ลักษณะเ อ, อิบอาบ กับความรู้ระยะและทิศทางควบคู่เป็นอันเดียวกันจะเหมือนมีกลุ่มน้ำแผกคลุมออกไปเบื้องหน้ารู้แค่ไหนเอาแค่นั้นเมื่อเห็นว่าสามารถนิ่งได้กับความรู้สภาพเอิบอาบในทิศเบื้องหน้าอย่างน้อยสักหนึ่งนาทีกระทั่งเหมือนขอบเขตความเอิบอาบขยายออกทะลุผนังหรือวัตถุเบื้องหน้าไปเองได้ให้คงความรู้สึกอาบเอบ อันเดิมไว้แล้วย้ายทิศไปนึกถึงผนังหรือวัตถุด้านขวามือโดยตาไม่เหลือกทำให้เกิดผลเดียวกันคือรู้ความเอมอบาบทะลุเลยขอบเขตที่กำหนดไว้แต่แรกแล้วเปลี่ยนไปทางซ้ายเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องเฉียงตามลำดับสลับไปทีละทิศจนชำนาญทุกทิศและเหมือนสามารถแผ่ได้ทีละสองทิศสามทิศกระทั่งพร้อมกันทั่วไป ในที่สุดหากฝึกอย่างถูกวิธีจะเหมือนมีกลุ่มน้ําท่วมเต็มออกไปในแต่ละทิศตามรัศมีที่จิตกําหนดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตยังจับลักษณะเอิบอาบอันเป็นตัวตั้งไว้อย่างมั่นคงและจิตต้องมีความปลอดโปร่งซึ่งแสดงให้เห็นการรู้อย่างตั้งมั่นเป็นกลางไม่ใช่หนักอึ้งหรือกดดันกำเกรงด้วยวิธี ดำเนินจิตที่ผิดผิดพลาดพลาดใดๆผลที่เกิดขึ้นทันทีที่กำหนดรู้อาโปธาตได้ทั่วทุกทิศเมื่อถอนจากการกำหนดแล้วคือความเห็นชัดเข้ามาภายในว่ากายนี้สักกะว่ามีส่วนประกอบเอิบอาบซึมราบไหลไปมาจากหัวจรดเท้าบางคนอาจสัมผัสถึงความมีอยู่ของน้ำเลือดน้ำเหลืองอย่างชัดเจนเราวกับ กลายเป็นหุ่นแก้วที่ขังน้ำนานาชนิดไว้และเมื่อมองไปทางใดก็มีน้ำอยู่ก็จะสัมผัสรู้ถึงความเอิบอาบอันเดียวกันเห็นเสมอ ก, กันกับน้ำลายน้ำเลือดน้ำหนองปัสสาวะและของเหลวอื่นๆในกายเราโดยไม่ยินยนลนะักษณะสายสะอาดหรือคุณมัวสกปรกตามมาตรฐานทางตามาแบ่งแยกว่าคุณสมบัติแตกต่างกันโดยประการใดๆ จะมีเพียงความรู้ภายในที่จิตบอกตัวเองว่าความรู้เป็นธาตุน้ำล้วนเสมอกันคือศักท์ว่าเอิบอาบและคงสภาพอยู่ในจิตอาศัยระลึกเท่านั้น วิจารณาเตโชธาต์ตั้งกายตรงสำรวจจิตว่ามั่นคงมีความโปร่งเบาพอสมควรแล้วจึงปิดตาให้ความรับรู้อยู่ที่ไออุ่นอกอันเป็นความร้อนที่ถูกรู้ได้ง่ายที่สุดในกายเรากำหนดลักษณะอุ่นจนกว่าจะเห็นชัดว่าระดับความร้อนคงที่คืออุณหภูมิสม่ำเสมออยู่ในความรับรู้ ไม่แปรปรวนขึ้นลงหากจะยังเห็นว่าแปรปรวนอยู่ก็กำหนดรู้ความอุ่นอกไปเรื่อยจนกว่าจะเห็นร้อนคงที่จึงค่อยๆ ย, ยับกำหนดทิศและระยะเป็นอันดับต่อมาประคองความรู้สึกอุ่นไว้จนจิตไม่เคลื่อนไปไหนและจึงกำหนดทิศเบื้องหน้าเอาเพียงระยะสั้นและมีตำแหน่งที่แน่นอนขอให้ความรู้ลักษณะร้อน กับความรู้ลักษณะที่เป็นทิศทางควบคู่เป็นอันเดียวกันจะเหมือนมีคลื่นความร้อนแผ่คลุมออกไปเบื้องหน้ารู้แค่ไหนเอาแค่นั้นและต้องระวังไว้เป็นพิเศษด้วยก็คืออยากกําหนดให้เกิดคลื่นความร้อนกระจายออกไปแบบตั้งใจควบคุมดับขันพลังงานขอพายค่ะควบคุมขับดันพลังงานและต้องรู้เฉพาะไออ่นในร่าง กับกำหนดทิศทางระยะเท่านั้นปล่อยให้ความร้อนกระจายเองตามทิศที่จิตรู้ไม่เห็นว่าสามารถนิ่งได้กับความรู้สภาพร้อนในทิศเบื้องหน้าอย่างน้อยสักหนึ่งนาทีกระทั่งเหมือนขอบเขตความร้อนขยายออกทะลุผนังหรือวัตถุเบื้องหน้าได้เองให้คงความรู้สภาพร้อนอันเดิมไว้แล้วย้ายทิศไปนึกถึงผนังหรือวัตถุ ด้านขวามือโดยตาไม่เหลือกทำให้เกิดผลเดียวกันคือความรู้ร้อนทะลุเลยขอบเขตที่กาหนดไว้แต่แรกและเปลี่ยนไปทางซ้ายเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องเฉียงตามลําดับสลับไปทีละทิศจนจำนานทุกทิศและเสมือนสามารถแผ่ได้ทีละสองทิศสามทิศกระทั่งพร้อมกันได้ทั่ว ในที่สุดหากฝึกอย่างถูกวิธีจะเหมือนมีคลื่นความร้อนกระจายไออันอุ่นพอดีไม่ทรมานออกไปในแต่ละทิศ ต, ตามรัศมีที่จิตกำหนดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตยังจับลักษณะร้อนอันเป็นตัวตั้งไว้โดยไม่จี้ให้แรงเกินเหตุและจิตจะต้องมีความปลอดปร่งซึ่งแสดงให้เห็นอาการรู้ อย่างตั้งมั่นเป็นกลางไม่ใช่หนักอึ้องหรือกดดันกำเกรงด้วยวิธีดำเนินจิตที่ผิดพลาดใดๆคนที่เกิดทันทีที่กำหนดรูปเตโชธาต ได้ทั่วทุกทิศเมื่อถอนจากการกำหนดแล้วคือความเห็นชัดเห็นชัดเข้ามาภายในว่ากายนี้สักต่ว่ามีส่วนประกอบความร้อนความสามารถเผาผลาญและเมื่อมองหรือสัมผัสไปในทางใดที่มีไฟหรือไอร้อนอยู่ก็จะสัมผัสรู้ถึงความร้อนอันเดียวกันเห็นเสมอกันกับความร้อนในกายเราโดยไม่ยินยนลักษณะที่เป็น เปลวตามมาตรฐานทางตามาแบ่งแยกว่ามีคุณสมบัติแตกต่างกันโดยประการใดๆจะมีเพียงความรู้ภายในที่จิตบอกตัวเองว่าความเป็นธาตุไฟล้วนเสมอกันคือสัตว์วาร้อนและคงสภาพอยู่ในจิตอาศัยระลึกเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้เช่นทำให้ภาวนาต่ออย่างสบายท่ามกลางความเ ห, น, หน็ดหนาว ออาามีข้อจาเป็นจะต้องเตือนให้ระวังก็คือเมื่อทำกรรมฐานนั้นอย่าพิจารณาเตโชธาตเป็นลำดับสุดท้ายเพราะจะทำให้มีอาการไอร้อนแผ่ออกมาแม้อาการพิจารณาเตโชธาตแบบแผ่ออกตามทิศต่างๆจะไม่ทำให้เป็นคนโกรธง่ายเหมือนเล่นเตโชกสินแบบเพ่งไฟ ยังน้อยก็ทำให้กระแสะความร้อนแผ่ออกจากร่างกายโดยไม่รู้ตัวทางที่ดีเมื่อพิจารณาเตโชาธาตแล้วให้พิจารณาเอาอาโปาธาตภายในอากาศกะสินหรือแผ่เมตตาวิธีก็อยู่ในบทที่สิบสองเพื่อให้ไอร้อนสงบลงจะได้มีความเย็นหรือว่าไอเย็นซึ่งตัวเราเองรวมทั้งคนและสัตว์อื่น จะรับความสบายกว่าไอของความร้อนอย่างแน่นอนอีกประการหนึ่งแนมะ้จะเป็นไออุ่นหรือความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเหมือนกันแต่ธาตุไฟกำเริบขึ้นในแต่ละสถานการณ์ย่อมต่างกันเช่นถ้าร้อนขึ้นมาขณะโกรธขณะเหนื่อยหรือเป็นไข้ธาตุาไฟนั้นย่อมมีพิษเช่นทาให้เกิดการหลั่งสารร้าย ไม่เหมาะแก่การแผ่ออกตามทิศ ต, ต่างๆซึ่งเท่ากับขยายผลร้ายให้แรงขึ้นสิ่งที่ควรจะทำเมื่อธาตุไฟกำเริบขณะโกรธขณะเหนื่อยหรือขณะเป็นไข้คือพิจารณาเข้าไปตรงๆที่ความร้อนระดับนั้นพิจารณาว่าธาตุไฟนั้นไม่เที่ยงมีความกระเพื่อมหนักบ้างเบาบ้างเป็นห่วงๆเมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็ย่อมปล่อยวางเสียได้ ทั้งาธาตุไฟและต้นเหตุให้าธาตุไฟกำเริบเพราะรู้แล้วว่าภาษากระทบกระทั่งให้โกรธหรือโรคที่ทำให้ไม่สบายนั้นอย่างมากก็ทำเราได้แค่นี้คือาธาตุไฟกำเริบในที่สุดาธาตุไฟก็อ่อนแรงลงเป็นธรรมดา โยธาตั้งกายตรงสำรวจจิตมั่นคงมีความปร่งเบาพอสมควรแล้วจึงปิดตาให้ความรับรู้อยู่ที่ลมหายใจเลือกกำหนดเฉพาะลักษณะไววพัดอย่าสนใจอากาศ อ, อาการเข้าออกอย่าดูความยาวสั้นรู้ตามจริงว่าธรรมชาติหนึ่งของลมหายใจก็เหมือนกับลมทั่วไปคือไม่อาจหยุดนิ่งกับที่ แปลไปด้วยอาการพัดไหวตลอดเวลาประคองความรู้สึกพัดไหวไว้จนจิตไม่เคลื่อนไหวไปไหนและจจึงกำหนดทิศเบื้องหน้าเอาเพียงระยะสั้นและมีตำแหน่งที่แน่นอนขอให้ความรู้ลักษณะพัดไหวกับความรู้ระยะและทิศทางควบคู่เป็นอันเดียวกันจะเหมือนมีความไหวตัวแบบลมปกคลุมในทิศเบื้องหน้า รู้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นม่เห็นว่าสามารถนิ่งได้กับความรู้สภาพพัดไหวในทิศเบื้องหน้าอย่างน้อยสักนาทีหนึ่งกระทั่งเหมือนขอบเขตความพัดไหวหยาบขอไปค่ะขอบเขตความพัดไหวขยายออกทะลุผนังหรือวัตถุเบื้องหน้าได้เองถ้าเห็นเหมือนพายุครุงเต็มไปก็อย่าตกใจ วางใจเฉยๆคงความรู้สภาพพัดไหวไปมาอันเดิมไว้แล้วย้ายทิศไปนึกถึงผนังหรือวัตถุด้านขวามือโดยตาไม่เหลือบไปทำให้เกิดผลเดียวคือรู้ความพัดไหวทะลุเลยขอบเขตที่กาหนดไว้แต่แรกและเปลี่ยนไปซ้ายเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องเฉียงตามลำดับ สลับไปทีละทิศจนกว่าจะชำนาญทุกทิศและเหมือนสามารถแผ่ได้ทีละสองทิศสามทิศกระทั่งพร้อมกันได้ทั่วในที่สุด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 ผลที่เกิดขึ้นทันทีที่กำหนดรู้วายโยธาได้ทั่วทุกทิศเมื่อถอนจากการกำหนดแล้วคือความเห็นชัดเข้ามาภายในว่ากายนี้สักตะว่ามีตัวประกอบเป็นความพัดไหวเมื่อมองหรือสัมผัสไปทางทิศใดก็มีอาการไหวเช่นกิ่งไม้ไวยหรือผือนผ้าสะบัดก็สัมผัสรู้ถึงความพัดไหวอันเดียวกัน เห็นเสมอกันกับความพัดไหวในกายเราโดยไม่ยินยนลักษณะยาวสั้นหรือยาละเอียดใดๆตามมาตรฐานภสษะทางกายมาแบ่งแยกว่ามีคุณสมบัติแตกต่างกันโดยประการใดๆจะมีเพียงความรู้ภายในที่จิตบอกตัวเองว่าความเป็นธาตุหลมล้วนเสมอกันคือสักแต่ว่าพัดไหวและคงสภาพอยู่ให้จิตอาศัยละลึกเท่านั้น การรู้กายโดยความเป็นองค์รวมแห่งธาตุดังเห็นได้ในบทต้นว่าแนวทางของพระพุทธองค์ที่ทรงรู้กายโดยความเป็นธาตุมีดังนี้ทิสุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ซึ่งตั้งอยู่ตามปกติ โดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ขยันฆ่าโคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งชั้นใดพิสุกก็ฉั น, นั้นเหมือนกันเมื่อฝึกผู้รู้กายเมื่อฝึกรู้กายกระทั่งเห็นธาตุ ภายในชัดเจนเสมอธาตุภายนอกแล้วก็อาจจะพัฒนาขึ้นเองเมื่อจิตแยกไปเฝ้าดูในฐานะผู้รู้ผู้มีความเป็นกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นธาตุธาตุใดทาดุึ่งว่าเป็นตัวตนโดยความเห็นชัดนั้นแต่ละธาตุในกายจะปรากฏต่างหากจากกันแม้ในขณะรู้อิริยาบถธรรมดา จะเป็นดีเดินยืนนั่งหรือนอนก็ตามตรงนี้ต้องระบุด้วยว่าไม่ใช่ไปพยายามสร้างนิมิตเป็นกองกองขอให้สังเกตว่าพระพุทธองค์ตรัสให้เห็นกายซึ่งตั้งอยู่ตามปกติอย่างนี้ซึ่งชี้ได้ว่าเรามีสติรู้กายเท่าไหนอย่างไรเห็นรูปกายโดยความเป็นมหาพูตธรูปอย่างนั้น จิตผู้รู้นั้นจะเฝ้าดูอยู่ตรงกลางๆเห็นมหาพูทธ ร, รูปเป็นตังหากจากกันเหมือนทางสีพแพล่นเรียกว่าแยกเป็นคนละนาบคนละนิมิตเท่านั้นเมื่อสามารถรู้กายโดยความเป็นธาตุสีก็จะเกิดปัญญาพิจารณาแยกแยะได้ว่ากายนี้ต่างจากธาตุอื่นก็ตรงที่ าทั้งสี่มาประชุมกันโดยมีจิตใจเป็นประธานเป็นผู้ควบคุมให้มหาพูตรูปเดินเหินหรือเคลื่อนไหวหลอกหูหลอกตาราวกับเป็นตัวเป็นตนของใครคนหนึ่งอยู่จริงๆมีเขามีเรามีใครปรากฏอยู่อย่างปฏิเสธยาก เมื่อไม่กำหนดพิจารณาต่อเมื่อรู้ชัดและพิจารณาโดยแยกกายแล้วจะเห็นว่ากายมนุษย์อันอาศัยมหาภูตรูปสี่ในการปรากฏนี้ไม่ใช่อะไรที่แปลกไปกว่าดินน้ำไฟลมภายนอกแต่อย่างใดเลยที่จุดนั้นเองจึงถึงความไม่ห่วงไม่อะไรไม่ติดใจว่าธาตุดใดธาตุหนึ่งเป็นของเราดังพระพุทธองค์วางแนวสรุปไว้คือ อิสุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างพิจารณาเห็นกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง ให้เจรณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างเมื่อรู้เห็นดังนี้เธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึง่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากายนี้ก็สักแต่เพียงว่าเอาไวร้รู้สักแต่ว่าเอาไว้ระลึกถึงเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกปัญหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลก ดูกราภิสุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลภิสุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอการรู้กายใจโดยความเป็นธาตุหกสำหรับธาตุมนสิการแบบ นั้นจะกล่าวถึงธาตุหยาบที่ก่อรูปเป็นกายให้สัมผัสแตะต้องได้เนื่องจากอยู่ในหมวดกายของมหาสติปัฏฐานสูตรแต่โดยแท้จริงแล้วธาตุในมุมมองของนักภาวนานั้นจำแนกได้อีกหลายในดังเช่นที่จะกล่าวถึงในบทที่สิบสีว่าด้วยการรู้กายใจโดยความเป็นอิยตนะว่าเราสามารถ ดูกายใจโดยความเป็นธาตุสิบแปดก็ได้สำหรับบทนี้จะขอต่อยอดด้วยการรู้กายใจโดยความเป็นธาตุหกเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ดังเช่นที่ยกแล้วแต่ต้นบทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการอย่างรู้กายใจโดยในของวิปัสสนาญาณคือเห็นกายโดยความเป็นมหาภูต ร, รูปสี่อันมีวิญญาณครอง หรืออีกนาหนึ่งคือเห็นกายใจอันเป็นอนัตตาเพราะรู้ชัดว่ามีททาธาตุในธรรมชาติที่มาประชุมกันชั่วคราวเดี๋ยวก็แตกแยกกระจายหายไปเมื่อขาดเหตุปัจจัยสนับสนุนการประชุมาธาตุเช่นอาหารและวิญญาณเพื่อให้ทราบว่าพระพุทธองค์ประธานแนวทางดูกายใจเป็นาธาตุหกไว้อย่างไร ขอให้พิจารณาธาตุวิพังคสูตรพระสุตตันต ป, ปิฎกเล่มที่หซึ่งพระพุทธองค์สอนพิสุนามว่าป ก, กุาติโดยตรัสให้พิจารณากายเป็นการประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมีช่องว่างอาศัยอยู่ในกายตามในที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้นและพระองค์ก็คงสงสรุปเป็นธาตุสุดท้าย มีเนื้อธรรมอันฟังเข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่ผ่านประสบการณ์เห็นธาตุอยากทั้งห้าเป็นของอื่นมาแล้วดังนี้ต่อจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดพองบุคคลย่อมรู้อะไรอะไรด้วยวิญญาณ น, นั้นคือรู้ชัดว่าสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างดูกราพิษุเพราะอาศัยภาษะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา คือสุขทุกข์หรือเฉยย่อมเกิดเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยเวทนาย่อมรู้ว่ากำลังเสวยเวทนาอยู่และเพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานั้นแลดับไปย่อมรู้ว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะดับลง